ลมออกยาวก็ให้รู้อารมณ์หายใจออกยาวให้รู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้อารมณ์หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้น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 เราอย่าไปนึกว่าเราเอาลมไม่มีแล้วจะตายอันนี้อย่าไปคิดให้คอยรู้ความรู้สึกของเราว่าสงบสบา ย, อยาคอยรู้อยู่ตรงนั้นหายใจสงบสบายอันนี้คือวิธีปฏิบัติเบื้องต้น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 นั่นแหละให้เห็นอย่างนั้นใจของเราก็จะสงบเป็นสุขพอใจของเราถึงถึงอัตถึงธรรมของพุทธเจ้าใจจะมีความสุขมากกระทบกระเทือนนิดน่อย น, อยนี่ไม่ถึงใจเราหรอก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 40ปีห้าสิบปีหกสิบปีนั่นมันก็ไหลไปเรื่อยๆเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีนั่นใข่ก็ตายไม่ใข่ก็ตายคนขนาดถึงแปดสิปีก็ถือว่ามากแล้วถือว่ามากที่สุดแล้ว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 เราตายไปเราไม่ตกนรกเลยในเกศชาตินะั้นะไม่ตกนรกเลยถ้าเราได้สูงกว่านั้นคือเป็นสกิทาคามีเราก็มาเกิดในมนุษย์เพียงชาติเดียวเท่านั้น<ม>ก็สำเร็จเป็นพระอรหันเข้าพันิพานไป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 คือเป็นนาคามีน่ได้สำเร็จเป็นพาอาหันอยู่ในพรมโลกเมื่อสิ้นอายุพมก็เข้าพณิพานก็ปฎินิพานไม่กลับมาทุกข์อีกเลยอันนี้ว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงอารหาหันแต่ผู้บรรลุอารหาหันนี่เข้าพณิพานเลย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 คงเส้นคกวาอยู่ตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติเพื่อนี้จากกองทุกข์ไม่ใช่เพื่อลาบไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อความสันเซิญเยินยอเราทำเพื่อให้ใจของเรามีความสุขทำใจของเราให้มีความสงบ ทำใจของเราให้เย็นให้สบายคนเรานี่เกิดไม่รู้จักจดจากสิ้นเกิดแล้วเกิดอีกนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท่วนดูแต่พระพุทธเจ้าของเราห้าร้อยพระชาติเฉพาะพัทธกับนี้พระ อ, องค์เกิดมาแล้วห้าร้อยชาติ ดูสินี่เดกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างบา ร, รมีนานแสนนานกว่าจะได้มาเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกหรือคนสัตว์โลกให้ถึงความพ้นทุกข์นี่ใช้เวลาท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร น, านี่นานแสนนานนานมาก เราไม่ต้องปานนั้นถ้าเราปฏิบัติทำแล้วไม่ต้องเกิดมากๆปานนั้นไม่เกิดเป็นกรับๆ ก, กันๆปานนั้นปฏิบัติถูกต้องตรงตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายได้เลยนี่แหละ คอให้ทำความเข้าใจตามนี้ให้อดให้ทนตลอดเจ็ดวันนี่เราตั้งใจมาแล้วเสียสละเวลามาแล้วให้ตั้งใจให้อดทนให้เข้มแข็งจะเหนื่อยปะไหนกระตาม ข้าวมีกินอยู่อย่าท้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจแต่ว่านาปาณสติที่อธิบายมานี่เอาพอให้เข้าใจในแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้เอาทั้งหมดถ้าจะเอาทั้งหมดดังที่พุทธเจ้าได้ตัดสรู น, น มันไม่ใช่เล่นน้อ ย, อยมันมีตั้งสามสิบสองหมวดนนะหรือว่าเป็นส่วนมีตั้งสิบหส่วนถ้าเป็นแยกย่อยออกไปตั้งสามสิบสองหมวดกิเลร อ, อาสวะอยู่ไม่ได้เลยถ้าปฏิบัติตามเราถือความสุขความสงบแน่นอน ได้ผลแน่นอนร้อยเอร์ซน์พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ได้ฟังพุ ท, พทธพจน์จากพระโอษของพระพุทธเจ้าในเรื่องอนาปานสติที่เราเอามาใช้ในการปฏิบัตินี่ตามอย่างที่พุทธเจ้าเคยปฏิยัดมานี่ว่ามันมีอะไรบ้างเราลองกำหนดฟัง ว่าที่มหาภัยบูญอภิปุโนจะได้อ่านให้ฟังอ้าวนิมนอนนาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอันที่สงใหญ่ก็อนนาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร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 หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายคือกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกทำการศึกษาฝึกฝน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 ซึ่งความสุขให้ใใ่ออกทําการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตคือจิตตสังขารให้ใใ่เข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตให้ใใ่ออกทําการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระับหาใส่เข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระับหาใใจออกเถี่ยมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้า ให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตให้ใจออกแตยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งให้ใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทอย่างยิ่งให้ใจออก เตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าว่าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ให้เป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนว่าให้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ หายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจําหายใจออกโดยย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจําหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืน ยุบเป็นประจำนัยใจออกพิสูจน์ทังหลายอาณาปารสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอา น, นิสงส์ใหญ่สรุปง่ายๆว่ามีสติ หายใจเข้ามิสติหายใจออกทันที